ขอเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่วันญาณสังวรารามได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้แก่พระภิกษุ และสา ม, มเณรโดยมีภิกษุประมาณสิบห้ารูปสา ม, มเณรประมาณ70รูปรวมกันแล้วก็ประมาณ85รูปซึ่งจะบวชระยะเวลาประมาณ15วันเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนพ่อแม่จึงอยากจะให้ลูก ได้มีโอกาสเข้าวัดเข้มามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้ถ้าเด็กไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องได้รับแต่ความรู้ที่ ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ถูกต้องก็จะเสียเด็กได้ต่อไปดังนั้นการเข้าวัดนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะมาหลอกล่อใจของเด็กให้แตกให้เสียหายได้ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลา ที่จะคอยดูแลสอนลูกลูกก็อาจจะเสียคนไปได้ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดในช่วงปิดภาคฤดูร้อนถ้าสามารถเอาลูกเข้าวัดได้จะอยู่วัดก็ได้หรือจะมาทำบุญก็ได้ขอให้ได้เข้ามาสัมผัสกับสิ่งที่ดีเพื่อจะได้มี เครื่องยุดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ถูกกระแสของทางโลกซึ่งเกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้จุดลากไปจน จ, จนต้องเกิดความเสียหายขึ้นมาในภายหลังการเข้าวัดจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นการศึกษาเรื่องของการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงความรู้ทางโลกนั้นถึงแม้จะสำคัญแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับความรู้ทางศาสนาทางรู้ความโลกโลกอย่างมากก็ทำให้เรามีอาชีพมีรายได้ดีแต่ถ้าไม่มีความรู้ทางศาสนาเราก็อาจจะ ใช้ความรู้ทางโลกนี้ไปในทางที่เสียหายได้เช่นถ้าไม่รู้ว่าการกระทำบาปนี้มีโทษกับตนเองและกับผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือหลังจากที่ตายไปแล้วยังต้องไปรับโทษต่ออีกถ้าเรารู้ถึงโทษต่างๆที่จะตามมา จากการทำบาปจากการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราจะได้หลีกเลี่ยงเพราะไม่มีใครอยากจะถูกลงโทษทุกคนอยากจะได้รางวัลแต่ไม่มีใครอยากจะถูกลงโทษแต่เนื่องจากจิตใจของพวกเหานั้นยังเป็นจิตใจที่ขาดความรู้ที่ถูกต้องเรายังถูกความหลง หลอกให้เราเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคุณสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์เราจึงต้องพึ่งพระาศาสนาพระาศาสนานี้เกิดจากผู้รู้จริง mm. เห็นจริง mm. คือพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงศึกษาได้ทรงปฏิบัติจนรู้อย่างถ่องแท้แล้วว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์พรพระองค์นั้นได้รับผลของการประพฤติ ท, ที่ดีได้รับผลที่เกิดจากการไม่กระทำบาปได้รับผลที่เกิดจากการชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจทรงรู้ว่าเป็นผลที่ดีกว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองฐานะยศถาบรรดาศักดิ์หรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ถูก อ, อกถูกใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเลย แต่กลับเป็นโทษเพราะว่ามันเป็นหมือนยาเสพติดยาเสพติดนั้นเวลาที่เราเสพเราจะมีความรู้สึกสบายมีความสุขแต่เราไม่เห็นโทษของการที่จะต้องติดยา <c oughs> ที่จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ไม่ได้เสพยาก็จะทุกข์ทรมานใจและพิษของยานี้ ก็จะทำลายร่างกายจะตายไปในอายุไม่ยังไม่แก่เรื่องต่างๆที่พวกเรากำลังแสวงหากันอยู่คือลาบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเป็นพิษเป็นอันตรายแก่จิตใจ เพราะจะสร้างความหิวความอยากความต้องการอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นต่อให้ได้มามากมายเพียงไรก็ตามแต่ความอยากความต้องการจะไม่น้อยลงไปแต่กลับจะมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าได้คือก็อยากจะได้สอบ ม, มีคือก็อยากจะได้สอบ พอมีสอบก็อยากจะได้วามันเป็นอย่างนี้พวกข้าราชการต่างๆเช่นตำรวจทหารตอนต้นก็อยากจะเป็นนายสิบแล้วก็อยากจะเป็นจา่าแล้วก็อยากจะเป็นนายร้อยอยากจะเป็นนายพันนายพลตามลําดับต่อไปถ้ามีนายหมื่นนายแสนก็คงต้องอยากกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความอยากนี้มันไม่ ได้หยุดตรงที่ได้อะไรมาความอยากนี้จะหยุดได้ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากถ้าเราอยากอะไรแล้วเราไม่ทำตามต่อไปเราก็จะไม่อยากเมื่อเราไม่อยากแล้วเราก็สบายเพราะเวลาอยากนี้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ใจนี้จะกระสับกระส่ายกวลกวายกังวลว่าจะไม่ได้ ของที่ตนเองอยากได้แต่ถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะไม่มีความรู้สึก ก, กังวลกยได้ก็ไม่ได้ดีใจเสียไม่ได้ก็ไม่ได้เสียใจนี่แหละคือความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ไม่อยากได้อะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นมันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วเราไม่อยู่กับเขาไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป แม้แต่ร่างกายของเราเรายังต้องทิ้งเลยเราไปด้วยใจเท่านั้นใจของเราไปแล้วก็ไปหาร่างใหม่ไปเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากอยู่แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่จะอยู่อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีอะไรเพราะถ้ามีแล้วจะต้องเสียใจเวลาที่จะต้องจากไป นี่คือเรื่องของศาสนาสอนให้เราเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าสมมตุติลองดูในครอบครัวเราถ้าสามีเราไม่อยากเราไม่อยากลูกไม่อยากเราจะแสนจะสบายอยู่บ้านเฉยๆก็สบายแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นสามีก็อยากจะออกไปเที่ยว ลูกก็อยากจะออกไปเที่ยวแม่ก็อยากภรรยาก็อยากจะออกไปเที่ยวก็ต้องออกไปกันเวลาออกไปก็ต้องเสียเงินเสียทอง<ม>ต้องไปเสี่ยงภัยบนท้องถนน<ม>ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าใช้เงินจนไม่มีพอจะใช้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เป็นผลของความอยากทั้งนั้น ความอยากพาให้เราต้องไปดิ้นรนต่อสู้ปากกัดตีนถีบหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ยังไม่เคยถึงคำว่าพอยังต้องกระอยากอ ย, กอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆพวกเราเกิดมานี้เราอยากอะไรกันมามากมายแล้วได้อะไรกันมามากมายแล้วเราพอกันหรื อ, อยังหรื อ, อยังอ ย, อยากอยู่ยังอยากไปเที่ยวอยู่ ยังอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นี่แหละคือปัญหาของพวกเราอยู่ที่เราไม่รู้จักคําว่าพอเราไม่รู้จักหยุดความอยากของเราซึ่งเราสามารถหยุดได้อย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะไม่มีความสุขขอให้คิดว่าถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราอยากแล้วเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันที ขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยากถ้าเราเกิดมีความอยากขึ้นมาเราจะทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องลุกขึ้นไปทันทีนี่คือความอยากเป็นปัญหาต้นต้นปัญหาของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเมื่อเกิดมีความอยากมากๆแล้วถ้าไม่สามารถทำตามความอยาก ได้โดยวิธีที่ถูกกฎหมายหรือถูกศีลธรรมก็จะต้องทำด้วยวิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราจึงมีโจรผู้ร้ายมีคนโกงมากมายมีคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันมากมายคุกตารางนี้มีไม่พอไว้สำหรับขังคนที่ทำผิดกฎหมาย ก็เพราะคนเหล่านี้เขาไม่รู้จักหักห้ามความอยากของเขาหรืออย่างน้อยไม่รู้จักควบคุมความอยากของเขาไม่ให้พาไปสู่การกระทําที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมพวกเราส่วนใหญ่นี้ยังมีความอยากอยู่แต่เรามีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอน ไม่ให้พวกเราทำบาปไม่ให้พวกเราทำผิดกฎหมายกันเราจึงต่อสู้กับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรมแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพทธเจ้าจะไม่รู้ว่าการทำบาหรือการทำผิดกฎหมายนี้ เป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเขาก็เลยทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็ต้องรับผลในชาตินี้ก็ต้องติดคุกติดตารางหรือถูกประหารชีวิตแล้วเมื่อตายไปเขายังต้องไปใช้โทษต่อเพราะผู้ที่ทําบาปนี้จะต้องไปเกิดในอบายจะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรต ไปตกนรกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราจะเชื่อว่ากฎหมายนี้ถ้าทาถ้าไม่ถ้าผิดกฎหมายแล้วจะต้องถูกติดคุกติดตารางหรือไม่ถ้าเราเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญลองทำไปแล้วตารวจเขาไม่สนใจเขาจะจับเราอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นขอให้พวกเรา ศึกษาเรื่องต่างๆให้ดีเรื่องที่เป็นคุณเรื่องที่เป็นโทษเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขเรื่องที่จะทำให้เรามีความทุกข์แล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้อย่าปล่อยให้อำนาจของความอยากของเหล่านี้มันฉุดลากหรือผลักดันให้เราไปทำในสิ่งที่เราต้องเสียหายต่อไป เวลาต่อสู้กับความอยากย่อมทุกขทรมานใจแต่ขอให้เราคิดว่าความทุกทรมานใจที่เกิดจากการต่อสู้กับความอยากนี้มันน้อยกว่าความทุกขทรมานใจที่ทำ<ม>ตามความอยากเพราะมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เรามีน้ำอยู่ในเท้าเรา ถ้าเราเดินเราก็จะรู้สึกอาการเจ็บเพราะหนามมันยังอยู่ในเท้ามันจะทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาหนามออกเวลาบ่วนน้ำก็จะต้องเจ็บหน่อยถ้าเรากลัวความเจ็บจากการบ่วนน้ำเราก็จะไม่เอาหนามออกเราก็จะต้องเจ็บไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรายอมจิตทนกับความเจ็บที่เกิดจากการบ่วน้ําออกมา พอเราหนามออกมาแล้วพอแผลหายแล้วเราก็จะไม่เจ็บอีกต่อไปความอยากนี้ก็เป็นเหมือนน้ําที่อยู่ในใจของเราทุกครั้งที่มันอยากมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราแต่เวลาที่เราต่อสู้คือพยายามดับความอยากนี้มันก็ทุกข์ทรมานใจเช่นเดียวกัน แต่มันจะทุกข์ทรมานไปไม่นานเพราะหลังจากที่เราชนะความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นมาอีกเพราะมันรู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยู่ดีก็เลยไม่อยากเหมือนคนที่ถูกจับขังในครุกในตารางอยากออกไปข้างนอกมากน้อยเพียงไรก็ออกไปไม่ได้ จนในที่สุดก็ต้องทำใจยอมอยู่ในคุกพออยู่ในคุกได้แล้วก็จะไม่รู้สึกทรมานใจแต่ทุกครั้งที่เกิดความอยากที่จะออกไปนอกคุกก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีนี่แหละคือความอยากมันเป็นเหมือนน้ำอยู่ในใจของเราที่เราจะต้องกําจัดมันให้ได้วิธีกําจัดนี้ ก็ต้องกำจัดด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำจัดมาพระพุทธเจ้าทรงกำจัดด้วยการให้ทานด้วยการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆพระองค์ทรงสละทรงกำจัดด้วยการรักษาศีลทรงกำจัดด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญานี่คือเครื่องมือ ที่จะมาเอาหนามคือตันหาความอยากให้หมดไปจากใจไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเอาตันหาความอยากนี้ออกไปจากใจนี้ได้นอกจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาทานท่านทรงสอนให้เราให้สิ่งต่างๆที่เรา ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้สิ่งใดที่มันมีมากเกินความจำเป็นไม่ต้องเก็บเอาไว้อย่ากเก็บเอาไว้เพราะมันจะทำให้เรามีความผูกพันน่าเกิดความอยากได้มากขึ้นถ้าเราเอาสิ่งที่เรามีเหลือนีเอาไปให้ผู้อื่นเราจะตัดความอยากได้สิ่งใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นนี่เราก็ตัดไปได้ในระดับหนึ่ง ส่วนศีลนี้ก็เป็นการรักษาใจของเราไม่ให้ทำผิดนั่นเองเวลาเราเกิดความอยากหรือเกิดความโกรธมากมากนี่เราจะคิดทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีศีลเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ใจของเราไปทำผิดศีลแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ใจของเราได้ เวลาเราโกรธมากๆเราก็อยากจะพูดคำหยาบหรือเราอยากจะทุบทำร้ายผู้อื่นแต่ถ้าเราถือศีลเราก็จะได้ยับยับย้งความอยากนี้ได้เมื่อเรายับยั้งความอยากนี้ได้โทษที่เกิดจากการทำผิดศีลผิดกฎหมายก็จะไม่มีตามมาเราก็อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายในระดับหนึ่ง คนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีล น, นี้มีความสุขไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีศีล น, นี้มีแต่ความทุกข์ความกังวลคนที่มีศีล น, นี้จะอยู่อย่างสงบอย่างสบายใจไม่กังวลไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายนั่นเองไม่มีโทษตามมาแต่คนที่ทำผิดศีลหรือทำผิดกฎหมายแล้วรู้ว่าจะต้องมีโทษตามมา เมื่อยังไม่ถูกจับก็จะกังวลกังวายกระสับกระสายกะกระสับกระายมีความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความทุกข์ความไม่สบายใจแต่ถ้าไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ในระดับหนึ่งส่วนการปฏิบัติ การทำสมาธิและการเจริญปัญญานี้ก็เป็นวิธีที่จะถอดถอนหรือดับความอยากได้อย่างถาวรเวลาที่เราทําจิตให้สงบแล้วใจของเราจะไม่มีความอยากจะมีความอิ่มเพราะความสงบนี้เป็นเหมือนอาหารของใจถ้าใจได้รับความสงบอยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะไม่มีความอยาก เหมือนกับร่างกายถ้าได้รับประทานอาหารอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีความหิวเวลาที่มีความหิวนี้แสดงว่าร่างกายกำลังต้องการอาหารฉันใดเวลาใจมีความอยากก็แสดงว่าใจต้องการความสงบเราจึงต้องพยายามทำใจให้สงบวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำสมาธิคือทำจิตใจ ให้หยุดคิดเรื่องราวต่างๆด้วยการอาศัยอุบายวิธีการใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธเราพยายามคิดแต่คาว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถบังคับใจของเราให้อยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่นานใจของเราจะ รวมลงเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะหยุดคิดได้ขณะที่ใจสงบไม่คิดอะไรนั้นใจจะมีแต่ความสุขความอิ่นมีแต่ความพอแต่สมาธินี้มันไม่สงบได้ตลอดไปพออยู่ได้พอสงบได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีพอคิดถึงขนมก็อยากจะหาขนมมารับประทานพอคิดถึงสุราก็อยากจะไปหาสุรามาดื่มทันทีตอนนี้เราต้องใช้การปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงกว่านี้คือขั้นปัญญาเราต้องเจริญปัญญาคือพิจารณาให้เห็นโทษของความอยาก ให้เห็นโทษของสิ่งที่เราอยากให้เห็นว่าความอยากนี้ทำให้ใจของเราวุ่นวายทำให้ใจของเราหิวกระหายถ้าเราไม่อยากได้จะดีกว่าถ้าเราไม่สามารถดับความอยากด้วยเหตุผลอันนี้ <c oughs> ก็ขอให้เราเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากเช่นสุราเวลาเราไปเสพสุรานั้น <c oughs> ก็จะทำให้เรามึนเมาขาดสติ แล้วจะพูดไม่ดีจะทําไม่ดีจะเกิดความเสียหายตามมาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อาจจะหยุดดื่มสุราได้หรือถ้าเราเป็นคนนักชีวิตก็ขอให้คิดว่าทุกครั้งที่เราเดื่มสุรานี้เท่ากับฆ่าเราหรือตัดชีวิตของเราให้สั้นลงไปเพราะคนที่ดื่มสุรายิ่งมากเท่าไหร่อายุก็จะยิ่งสั้นมากขึ้นไปเท่านั้น คนที่ไม่ดื่มสุราก็จะมีอายุที่ยืนยาวนานถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวนานเราก็อย่าดื่มสุรานี่คือการใช้ปัญญาถ้าเราเห็นโทษในสิ่งที่เราไปอยากได้หรือเห็นโทษของความอยากของเราว่ามันไม่ได้พาไปสู่ความอิ่มความพอไม่ได้พาไปสู่ความสุข เราก็จะได้หยุดความอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นี่คือปัญญาและจะเป็นการดับอย่างถาวรเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นพิษภัยต่อชีวิตของเรามันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราจะไปอยากทำไมเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระ อ, องค์นั้นมี ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากกว่าพวกเราหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่ทำไมท่านถึงตัดความสุขเหล่านี้ไปหมดก็เพราะท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองมันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดมันสุขในขณะที่ได้ใสได้สัมผัส แต่เวลาที่ไม่ได้เสพสัมผัสก็จะรู้สึกหวาเหว่เศร้าสร้อยหงอยเหงาต้องหามาเสพมาสัมผัสอยู่เรื่อยๆเราดูตัวเราเองดูเป็นดูชีวิตของเราดูก็ได้เวลาเราอยู่กับสิ่งที่เราลักเราชอบนี่เราจะมีความสุขแต่พอเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกอย่างไรเราอยู่ได้หรือเปล่าเราอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าเราอยู่ไม่ได้ เราจะรู้สึกว่าเว่เศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมา ท, าทันทีเพราะเราติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราติดอยู่กับคนนั้นคนนี้ติดอยู่กับการกระทำนั้นกับการกระทำนี้เราอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องมีสิ่งเหล่านี้มาคอยหล่อ เ, เลี้ยงจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาต้องหาอะไรมาเดือบอยู่เรื่อยๆต้องหาอะไรมาเคี้ยวอยู่เรื่อยๆ ต้องหาอะไรมาดูอยู่เรื่อยๆต้องหาอะไรมาฟังอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี้เองความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่เองที่ทำให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้เราดูไม่มีอะไรให้เราทำเราจะรู้สึกว ah ้าเหวทันทีจะรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาขึ้นมาทันที คนเราจรึงบวชกันไม่ได้มาบวชเป็นพระบวชเป็นเนนกันไม่ได้เพราะอยู่แบบตามลำพังไม่ได้อยู่แบบไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ได้เพราะไม่มีความสงบแต่คนที่บวชแล้วอยู่ได้แสดงว่าเขามีความสงบภายในใจ<ส>เขามีสมาธิ<ส>เขามีปัญญา<ส>เขามีศีล<ส>เขามีทาน ดังนั้นถ้าเราอยากจะตัดความอยากเราเพื่อเพื่อทำใจของเราให้สงบเพื่อทําใจของเราให้มีความสุขมีความอิ่มมีความพอเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทําจากสิ่งที่ง่ายขึ้นไปสู่สิ่งที่ยากตามลําดับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการทําบุญให้ทานขั้นต่อไปก็คือการรักษาศีล ขั้นต่อไปก็คือการนั่งสมาธิและขั้นต่อไปก็คือการเจริญปัญญานี่คืองานที่เราจะต้องทำถ้าเราต้องการที่จะกําจัดน้ําที่ฝังอยู่ในใจของเราเราต้องใช้ทานศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือมีคนหลายคนที่มีศรัทธาและปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้จนสามารถเอานาำออกจากใจของของเขาได้กลายเป็นพระอริยะขึ้นมากลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเราแต่เขามีศรัทธาเขามีความเชื่อเขามีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมา จนได้กลายเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นสลาณะเป็นที่พึ่งของพวกเราพวกเราก็สามารถเป็นได้ถ้าเรามีความศรัทธาและมีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เรื่องของการมาศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติขอให้ท่านจงพิจารณาแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัชนาา่าัย